เดือนเก้าขึ้นสิบห้าข้าเดือน 9, เก้าเพนวันนี้พวกเราเข้าพรรษามาหนึ่งเดือนพอดีนะคณะสัตยาญาณโยมพระเนรลูกลานเข้าพรรษามาหนึ่งเดือนวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วก็เป็นวันที่พวกเราจะได้สมาทานศีลแล้วก็เป็นวันอุโบสถของพระด้วยนะวันนี้นะบอกกล่าวให้ทั่วถึงพระจะได้ขาดตุก บ, บกพ้องบอกกัน ตอนเที่ยงอย่างเก่าลงโวสดแล้วก็ให้ทายกนำไหวพห้พระสมาทานศิลพร้อมกันนะครับอ mm. ิมีนาสกเรนาอังอุทังอาบิปุศสยามะสีเรนานิภูติยันติตัสมาสีลังวิโสทาเย ก่อนอื่นอย่าลืมกรถิ่นสามัคคีวัดป่าบาันตาศเน้อคณะทถานา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนพอกติวัดป่าบาันตาศวันที่7ตุลาหกศูเป็นกรถินสามาคัคคีเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีผู้ที่จะถวายสร้างพิพิธภัณฑ์ถ้าเป็นเงินก้อนใหญ่ให้โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนทหารอุดรธานีเลขที่บัญชีเจ1ดสองหนึ 21, 8, 8่งสองสามปดหนึ่งปดปดขีปดบัญชีออมทรัพนะอันนี้เข้าตรงเลยครให้คณะัาธาญาติโยมโ อ, โอนเข้าไปเลยเพราะวันนี้เป็นวันพระใหญ่หลวงพ่อก็ได้ประกาศขึ้นขึ้นเลขขึ้นเลขหนึ่งก่อนเพราะว่าเรื่อง ทำบุญกับองคหลวงตาเนี่ยเราจะไปไว้ท้ายๆมานาต้องขึ้นหน้านะแล้วก็คณะกรรมการเขาก็บอกแจ้งข่าวมาว่ายอดปัจจัยเจดีของหลวงตามหาบัววันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2560คือยอดใหญ่ที่เราเซ็นสัญญาในวันเซ็นสัญญาวันที่17มิถุนายนมีคนถวายเป็นเงินจำนวน 537ล้านนะวันนั้ น, นะนเสร็จเสร็จแต่วันนี้นะวันที่1สิงหานะในสิงหาคมพุทธศกราช2560ล้านมันเพิ่มขึ้นมาวันนี้เป็น558ล้าน 998,546 บาท33สตังนะอันนี้ก็คือปัจจัยขึ้นมาแต่ก็พอไม้ต็ยัง พอว่าพิพิธภัณฑ์เราเซ็นสัญญาเราเซ็นสัญญาแต่พระเจดีย์กับพระวิหารหาร้อยสี่ยกาสิบล้านพระเจดีย์กับพระวิหารแต่พิพิธภัณฑ์เราบวกลบคูนานดูซิเอาห้าอยห้าสิบแปดล้าน ตั้งขึ้นมาแล้วกันะอื่ยแล้วก็เอา400ห้า490ลบเข้าไปยังเหลือเท่าไหร่เพราะยังเหลือเท่าไหร่แต่แต่พิพิธภัณฑ์เราหลวงพ่อเป็นวิศวกรนะกะกะไว้นะแ ต, แ, ต แ, ตแต่ยังไม่ได้ถามผู้ใดหรอกยังไม่ได้ถามสถาปนิกวิศวะ ผู้รับหมาะอะไรทั้งหมดนะหลวงพ่อกะไว้ในใจเอ้ยไม่ต่ำกว่า0 0งร้อยล้านลูกหลานเนอะไม่ต่ำกว่า0 0งร้นแล้วลูกหลานเนอะพิพิธภัณฑ์นี่แหละให้พวกเราเตรียมเตรียมเอาไว้ก็ยังปัจจัยก็ยังพร้อมที่จะพวกเราจะได้ทำบุญร่วมกันทำบุญ อ, อีกในช่วงหนึ่งแต่วันที่12บสสิงหาเนีนะคงจะไดปปะ้ประกาศเป็นทางการอันนี้เป็นประกาศเพียงแต่ว่าประกาศตือ น, นนะ หลวงพ่อประกาศอยู่ที่วัดของเราประกาศเดินเตือนแต่บัญชีนแน่นอนแล้วเขาตั้งไว้แล้วนะเพราะนั้นคณตะทาญาติโยงผู้ดใดได้ยินเสียงหลวงพ่อนะจะโอนเขาเลยก็ได้นะทําบุญแต่ต้นมือดีกว่านะอย่าไปทําบุญปลายมือถ้าได้ปลายมือมันแก่เท่าชราแล้วยังค่อยได้ยังรวยนะไม่ได้นะให้รวยให้รวยแต่น้อยแต่นุ่มดีกว่าไม่ใช่เหรอสมัยน้อยหนุ่มเรารวยเพราะนั้น เพอได้ยินข่าวแล้ว พ, พอจะได้ทําบุญได้เอาทำบุญไปเลยฮออย่างพระโกลนธัญญาพระโกลนพทธัญญาท่านปรารถนาอขอให้ข้าพเจ้าได้สําเร็จมักสําเร็จผลก่อนเพื่อนท่านตั้ ง, ง, ง, ง, งความปรารถนาพอพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ท่านนั้นท่านก็ไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าคือพระัญญโกลนธัญญยได้ตรัสรู้ก่อนเพื่อนะะ เพราะมันมีพี่น้องอทําบุญด้วยกันคนหนึ่งโอ้ยทำเวลาไหนก็ได้หรอกพี่น้องสองคนแต่พี่ชายเนี่ยทําตั้งแต่ตกก้าก็ทําบุญปักดําก็ทําบุญเวลาจะเกี่ยวก็ทําบุญ เ, เกี่ยวเสียเราก็รีบทําบุญอีกนะแต่น้องชายโอ้ยทาเวลาไหนก็ได้มันเสร็จบริบูรณ์ซะก่อนเอาเข่ายุ่งเข้าช้างซะก่อนแล้วข่อยทําก็ได้เป็นไรไปนะ็น ก็เลยได้ได้เป็นสุพัททะเนี่ยได้เป็นคนสุดท้ายว่งางเงันนะตามตําราท่านว่างเงันเพราะท่านพวกเราจะทําบุญอย่ายไปขยึกขยักช้านะเพราะช้าเนี่ยอายุแก่มากแล้วจะเข้าหีบเข้าโลงนัยังคอยถูกถ ก, ถกลางวันที่หนึ่งแจ็คพอร์ตเนเออมันไม่ดีนะหลวงพ่อถ้าว่าถูกใครมันถูกแต่อย่างน้อยอย่างหนุ่มดีกว่าไม่ใช่หรอกนี่กคุณบือนกั น, นะเวลาจะทําบุญ พอได้ยินข่าวจะสร้างพระเจดีย์ลงตาเอออ้าวทาถ้าเราไม่เดือดร้อนนะถ้าใครเดือดร้อนนอย่าทำถ้าทําคือมาละมาบุญมุมมุมบอมบ์ออกทำบุญก็ทำบุญกับเจดีก็ลงตาแล้วน่าจะได้บุญได้กุศลทําไมเราจึงยากจนลงไปอันในสงุญกุศลไม่ให้ลงไม่สนองไม่ตอบมาเหลือเนี่ยนะไม่ใช่เงินฝากธนาคารนะมันจะตอบตอบเร็วถึงขนาดนั้น เจตนาของเราอีกมองเจตนาอีกต่างหากมันดูเนื้อนาอีกต่างหากมันไหลมันไหลสิ่งประกอบกันนะก่อนที่พวกเราจะได้บุญกุศลฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะที่หลวงพ่อพูดบ อ, บอกประกาศกล่าวเนี่ยก็ให้เนี่ยแหละเพียงแต่เตือนเตือนนะให้พวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาท วันนี้เป็นวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2560นะเป็นวันพระขึ้น15ค่ํเาเดือน9เดือน9เพนเป็นวันอุโบสถของพระด้วยเพราะนั้นไอ้พระบอกกล่าวกันเที่ยงเป็นวันอุโบสถเป็นวันลงอุโบสถของพวกเราและแ ต, ตอนเย็นก็มีการไหว้พระสวดมนต์อย่างที่พวกเราเคยทํามาทุกครั้ง ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาฟังเทศน์นี่วันพระเตยหงพ่อพูดลวเมียดเนี่บอกว่าเป็นวันพระที่สี่แล้วนะที่เราเข้ามาเป็นวันหนึ่งเดือนยังเหลืออีกแปดวันพอในพัรษาสี่สามสิบสองเพียงสิบสองวันเรารักษาศีลมาแล้วสี่วันวันนี้ยังเหลืออยู่แปดวันนะพ่อในขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน ใส่อกใส่ใจทั้งอกตั้งใจแล้วก็เมื่อวานหลวงพ่อก็ไปงานประชุมเพลิงศพพระที่ท่านมรณภาพที่วัดธรรมสหายหลวงปู่จันเรียนแล้วก็โอ้มีพระเยอะเมื่อวานไปเห็นพระสาลาใหญ่เต็มเอียดคงจะหลายร้อยองค์จะว่าพันก็ชักจะเกินไปนะหลวงพ่อว่าจะว่าขนาดนั้นแหละ กับท่านเจ้าคณะจังหวัดวัดโพธิสมพรทั้งรองเจ้าคณะจังหวัดและกครูบาอาจารย์หลวงปู่บุญมาเป็นองค์แสดงธรรมเมื่อวานนี้หลวงพ่อกับเข้าไปนั่งเป็นบริวารพอไปถึงแล้วก็นั่งคอยหน่อยหนึ่งจากนั้นก็ทำพิธีเมื่อวานพอสวดมาติกาบางสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ก็ได้นำ ไปวางดอกไม้จันทร์หลวงพ่อเออฝากดอกไม้จันทร์กับท่าน อ, อะไรท่านชาตีวัดป่าบ้านตาดเอยชาตีไว้เอาไปฝากดอกไม้จันทร์ไปฝากทูบเทียนดอกไม้จันทร์ไปวาวางในงานวางศพด้วยนะเราแก่แล้วเว้ยเราเดินไปที่ไหนซุ่มซ่ามดินก็ไม่ลาบอีกต่างหาก เดี๋ยวหกล้มป่ะพอเสร็จแล้วลมพ่อก็ได้ได้ออกมาเมื่อวานมาถึงวัดกับประมาณสัก4ี่ห้าโมงเย็นมเมื่อวานนี่แนละล้พ่อไปงานจบแต่ก็น่าเสียดายอายุพรรษาก็ยังไม่มากอายุก็ยังไม่มากเพียงห้าสิกว่าเนะ่พรรษาทางฟังดูแล้ ว, ว่า 34, 3 4าพรรษาเหมือนกันนะเป็นมมะนั่นะ ที่แรกก็เป็นลักษณะไส้เลื่อนตามที่อาจารย์สมชายมหาวิทยาลัยขอนแก่นพูดผให้ฟังนะ mm. พอไปตรวจจริงๆมันเป็นหมอบะลุลามเข้าไปถึงตับแล้วงันเป็นระยะที่สี่ก็เลยให้ยากันเลยคนไม่ตายมะเร็งตายมะเร็งไม่ตายคนตายลักษณะอย่างนั้นแหะพอมันเป็นอาการท่านเป็นอาการหนักแล้วทั้งเลยดนมรณะภาพ แต่ถึงยังไงก็จะทันได้ภาวนาทั้งทีทั้งสามสิบกว่าปีท่านคงจะรู้แนวทางของท่านก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะท่านคงไม่เสียเที่ยวเสียทีท่านต้องอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติของท่านนะครับเมื่อวานกับศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์ก็มากทีเดียวเลยเมื่อวานนี่เต็มวัดเต็มศาลาเลยเมื่อวานนี่แห ล, ล, ละ อันนี้เขขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเหมือนกันนะนะอไม่จะไปเผาคนอื่นไปชุมเพิงคนอื่นพระราชทานเพลิงคนอื่นได้อีกสักวันหนึ่งนะมันจะต้องมาหาตัวเองแน่นอนเพราะความตายในเสมอภาคกันไม่มีใครที่จะได้เปรียบเสียเปรียบกันคือมรณะภัยคํำนี้เสมอภาคแต่ก่อนที่ได้เปรียบเสียเปรียบก็คือบุญกุศลเท่านั้นเองนะ เหมือนกับเราเกิดมาในโลกเกิดมาด้วยกันเป็นมนุษย์ด้วยกันแต่ที่ได้เปรียบก็คือเกิดมาแล้วร่างกายสมบูรณ์ไม่พิกลพิการไม่เไม่เป็นบ้าใบาเสียจิตผิดปกติของร่างกายแล้วพร้อมการสติปัญญาการศึกษาก็ดีแล้วก็ปัจจัยสอุดมสมบูรณ์ไม่ทุกข์ยากลำบากด้วยอาหารการบริโภคด้วยปัจจัยสี่ อันนี้คือมันต่างกัน เ, เกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มันต่างกันต่างกันด้วยการเป็นอยู่ต่างต่างด้วยต่างกันด้วยฐานะาต่างด้วยการดารงชีพนะอันนี้ก็เหมือนกันความตายของมนุษย์ชาติก็เหมือนกันถึงขาวแล้วก็ตายไปแต่ว่าการตายของคู่คนมันต่างมันต่างกันตรงที่ว่าตายดีไปทางดีและไปทางเลวนะ ถ้าว่าเราทำกรรมชั่วนะกรรมชั่วก็จะพาไปทางเร็วไ ป, ไปตกต่ำไปเป็นหมูหมากาไก่เป็นช้างมา้าวัวควายเป็นใดทั้งนั้นถ้าว่าเราประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลกุศลนั่นแลจะพาไปสู่สุคติภูมิต่างๆจนถึงพ้นทุกข์ในวัฏะสงสารถึงแดน พ, นนพระนิพพานเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ เ, เกิดมาทั้งทีชีวิตแล้วได้พบพบุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ศึกษานะแต่หลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นให้ฟังนะ่หลวงพ่อกม่ได้ประ ก, กาศแล้วว่าบอกกล่าวแล้วว่าให้เชื่ออย่างเดียวไม่ใช่นะให้พวกเราพิสูจน์ให้พิสูจน์นั่งให้นั่งภาวนาให้ปฏิบัติถ้าพวกเราพิสูจน์นั่งภาวนาปฏิบัติแล้วนะ่ะอจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ทูกแท้แต่ แต่ถ้าหากว่าพวกเรายังไม่พิสูจน์อะไรเลยนี่แบบตาบอดประมาทว่าไม่มีขากไม่มีหนามไม่มีหลุมมีบอ่อเดินส่วมซ่อมไปเรื่อยนเดี๋ยวเงูเขางูจงอางขากน้นามตกเหวตกบ่อไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะเราปฏิเสธโดยไม่มีเหตุไม่มีผลอันนี้ก็เหมือนกันคำว่าปัญญาตาบอดคำนี้ก็เหมือนปัญญาของเรามันบอดนะ ไม่ไพไม่ใช่ปัญญาพระอริยะนะถ้าปัญญาพระอริยะเนะี่ยท่านจะรู้ท่านจะวิเคราะห์ท่านจะตรวจตราดูว่าอันไหนเป็นยังไงจากนั้นท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะเอออันนั้นเป็นเรื่องของของท่านแต่พวกเราปุกปับมานะี่ยพอได้ยินขึ้นมาแล้วกันปาหมาทไม่เชื่อเฉยอันนั้นน่ยมันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าในหลักของ หลักทำคำสอนของพระพุทธเจา้าถ้าพระพุทธเจ้าพูดอะไรคนเชื่อพูดอะไรเชื่อหมดปฏิบัติตามหมดนะคงจะไม่มีคนคนเหลือโลกมานะอันนี้นะผู้ที่จะฆ่าท่านก็มีผู้ที่จะเบียดเบียนท่านก็มีในตำรับตําราเพราะเอะไรเพราะความไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วก็ยังคาดโทษประมาทอีกที่จะทําร้ายทำร้ายอีกต่างหากนะ นี่แหละอันนี้มันคือจิตใจมวลมนุษยชาติไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้อันนั้นเราจะเป็นประเภทไหนให้พวกเราถามตรวจตราดูตนเองท้าว่าเป็นประเภทที่ไม่เชื่อแล้วยังผูกพยาบาทอาคาตของท่านอีกในหลักในหลักธรรมคำสอนพุทธะเอกนั่นแปลว่าเราหันหลังให้สุดตรงอย่าได้เป็นอย่างนั้นพวกเราต้อง ใช้จิติใช้ปัญญาใช้ความรอบขอบ อ, อย่าไปใช้ชิทถิมานะอย่าไปใช้ในอคติสี่อคติสี่ฉันทะความรักไข่พอใจกันแล้วก็ไปทำร้ายทำร้ายอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็โทสะความโกรธพยะความกลัว กลัวความนี้ะกลัวเขาจะได้ดีบ้างกลัวเขาจะมาเบียดเบียนตนเองบ้างนะพระยะโมหะความหลงความโงนะ่คือความไม่คิดไม่รอบคอบนะนี่แหละอันนี้เราจะได้เป็นอย่างนั้นต้องใช้ปัญญาหลักของพทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านไซต์ใช้ปัญญาให้การกรองไตรตรองโดยเหตุได้ผลเนะ้อการเป็นอยู่วัฒนการเป็นอยู่ของเราเราเป็นอยู่อย่างไร อย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวให้ฟัง เ, เราจะมีแต่เป็นสสแสวงหาทรัพย์หาเงินหาทองอย่างเดียวนะ่ะไม่เพียงพอนะแปลว่ า, าในหลักของพุทธศาสนาและในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเรวท่านว่ า, อ, าอย่างตั้งอยู่ในความประมาทจังัจว่าเป็นประเภทงโง่โง่ฉลาดในการหาทรัพย์แต่งโง่ในการหาธรรมเราไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันต้องฉลาดทั้งสองอย่าง ฉลาดทั้งหาธรรมด้วยฉลาทั้งหาปัจจัยด้วยไปด้วยกันทั้งสองอย่างพอหาธรรมหาเข้าสู่จิตใจถ้าหาว่าคนมีธรรมในจิตในใจอยู่ในภพนี้ชาตินี้อยู่ด้วยกันก็เป็นสุขนะไม่เบียดเบียนใครไม่ไม่ไม่ัมมมมงแกใครมีแต่มองผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้กับโลกให้กับกลุ่มของเราอันนี้แหละเป็นผู้ผู้มีธรรม ถึงจะออกจากโลกนี้ไปบุญกุศลจะเกือ้อกูลหนุนนี่แหละแต่ถ้าหาว่าพวกเรามีแต่มุ่งหวังทางโลกมีแต่สดแสวงหาทางโลกการหาเงินหาทองเก่งมากแต่พร้อมกันขนาดลังแกเบียดเบียนคนอื่นพอได้เงินมาแล้วคนนั้นจ้างอาตญาอาวุธมาฆ่าคนอื่นบ้าง อแล้วก็เขียนด่าฆ่าคนอื่นบ้างอรังแกคนอื่นบ้างเนี่ยอันนี้แปลว่าไม่ได้เสาะแสวงหาธรรมถ้าคนแสวงหาธรรมนะทางโลกเราก็ชํารวมกายวาจาใจของเราให้เป็นศีลเป็นธรรมอทางโลกไทางโลกก็เป็นศีลเป็นธรรมทั้งธรรมก็อนนี่แหละเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีสัมมาคารวะนี่แหละถ้าไปด้วยกันอย่างนี้ดีเลิศประเสริฐนะคณะสัตยาญาิโยมลูกหลานนะ แต่ถ้าว่าไปทางธรรมได้ยังมากกว่าดีเพราะเหตุไรเพราะมันตัดเป็นนักพรตนักบวชไปเลยไม่เกี่ยวข้องไม่ยุ่งเหยิงกับทางนอกนะทางนอกกัอย่างนั้นมีแต่เรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะ เ, เรามุ่งหวังไปทางธรรมไปเฉลยจบแต่ถ้าว่าเรายังมุ่งหวังไปทางโลกอยู่เออก็ไม่ว่ากัน เ, เราก็ต้องประกอบสามอาชีพแล้วก็พร้อมกันก็ ประกอบคุณงามความดีเสริมเข้าไปด้วยทั้งสองอย่างแต่ถ้าว่าเรามีแต่ประกอบสัมมาชีพมีแต่หาเลี้ยงชีพอย่างเดียวไม่ได้ใส่ใจสนใจไฟธรรมะไฟกุศลอั น, นันเสียนะลูกหลานนะ เ, เสียเลย เ, เสียทีที่ได้เกิดมาในพระ พ, พุทธศาสนาพ่อตายมาแล้วก่อนออไม่มีอะไรติดไม้ติดมือเลยมีแต่เอาบาป มิแต่สังสมบาปติดตัวไปด้วยแปลว่าเปล่าประโยชน์จริงๆเกิดมาพบนั้นชาดนั้นถึงจะเจริญรุ่งเรืองล่ำรวยก็เถอะนะเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่น้อยเดียวขนาดกระดูกตัวเองก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้เขาจะต้องเอาไปลอยอังคารทิ้งทะเลหม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำขงนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะที่พูดทางนี้ให้ฟังมิใช่เอาความตายมาขู่กันนะมันตายจริงๆเนะไม่ต้องเอ า, า ม, มาวา เมื่อวานก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังนะขนาดพระทแท้ก็ยังตายหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็ไม่เว้นเหมือนกันนะลูกหลานนะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะบอกอะไรกับยู่หลานเนะอร์จะตั้งอยู่ในความประมาทถนะ้าประกอบคุณงามความดีตายแล้วไม่สูญนะลูกหลานนะตายแล้วไม่หมดไม่สิ้นนะดวงวิญ ญ, ญาณนะจะต้องออกจากร่างนี่ไปปฏิสนธิไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆ ถ้าเรามีบุญมีกุศลนั่นแหะไปเกิดในไปไปเกิดที่ดีนะ้าเราตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้เราก็เข้าสู่นิพพานไม่มาเวียนว่ายตายเกิดแปลว่าจบทางว่าเรายังเวียนว่ายตายเกิดพบหน้าชาหน้าขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเรียนหนังสือต้องทำรรมาหาเลี้ยงชีพถ้าไปเกิดเป็นผิดที่ผิดทางไปเกิดนู่นไปเกิดบ้านปา่าบ้านหลงบ้านรอยบ้านที่ไม่มีพุทธศาสนา อย่างที่พวกเราเห็นในเฟซยูทูบโซเชียลทุกวันเป็นยังไงโลก้มันกวางเขาไปถ่ายไมาใ้ดูแล้เป็นยังไงเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเป็นอะไรเพราะกรรมพาไปไปเกิดเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าว่ากรรมพาไปเกิดอย่างนั้นหละ่ะพวกเราไปว่าชาตินั้นไปว่าขาดทุนเนียมาแล้วขาดทุนแล้วยังรับกรรมหนักอีกต่างหาก เพราะนั้นพวกเราเกิดมาพบนิชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบประธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัติในสัมมาชีพคิดดีทดําดีพูดดีเพราะนั้นพวกเราทัานทั้งหลายปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะถึงจะไม่ได้ไม่ได้อะไรในพบนิชาตินี้ก็ล่มเย็นเป็นสุขนลูกหลานนะเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครถ้าออกจากชาตินี้ไปแล้วนั่นแหละ อจะต้องไปสู่ความสุขความเจริญต่อไปภายภาคหน้านะนี่แหละเห็นไหมนะ่ะตุ๊กแกมันร้องกลางวันเห็นไหมถ้าเรามั่นใจไหมนะ่ะอถ้าเราไปไปที่ไหนไม่ได้นะเรามาเกิดในบ้านในเรือนหวงบ้านห่วงเรือนห่วงศาลานะเนี่ยเราก็ต้องว่าจบแท่จบแท่อย่างที่ตุ๊กแกร้องเนี่ยหละนะอมันเป็นได้ทั้งนั้นแหละเรื่องวิญญาณเนะี่ย เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้เกิดมาทั้งทีจะ้พบพบพุทธศาสนาและให้ประกอบคุณงามความดีทุกวันะนะวันนี้เป็นวันรักษาศีลของพวกเราให้รักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์นะวันนี้เนอะรักษาศีลห้าใครมีศีลห้า菩萨ลักเท้าโบสดใครมีอุโบสถบริบูรณ์บริบูรณ์นะต่อเ น, นื่ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในะที่นี้นะ